กลุ่มที่สคือพระริยะบุคคลว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่คิดนึกด้วยอกุศลเจตนาไม่กระทำอกุศลเจตนาทั้งกายกรรมวจีกรรมไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานสิ่งนี้ไม่เป็นอา ร, รมณะปัจจัยเพื่อความเป็นไปแห่งอภิสังขารวิญญาณ เมื่ออารามณะปัจจัยไม่มีความเป็นไปแห่งอภิสังขารวิญญาณก็ไม่มีเมื่ออภิสังขารวิญญาณไม่เป็นไปแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปก็ไม่มีเมื่อความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตย่อมดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีได้ด้วยประการชนนี้อันนี้เป็นนิเพทภาคิยะเนี่ยน ะ, ะผู้ที่ปฏิบัติ เพื่อที่กำจัดทุจริตทางกายวาจาและใจปฏิบัติเพิ่มพูนอริยมร์จนเพิกถอนอนุสัยคำว่าเพิกถอนอนุสัยก็หมายความว่าไม่มีอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลอีกต่อไปการที่ทำปริญญาในอุปาทานขันห่าจนอุปาทานขันห่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปได้นั่นแหละเรียกว่าถอนอนุสัยเสร็จแล้วถ้าถอนอนุสัยเสร็จแล้ว นนะก็ไม่มีอารามณะปัจจัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ก็หมายความว่าถ้าสิ้นตันหาถ้าตันหาดับอะไรดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติชารามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมานัสและอุปาญาก็ดับพันข้อปฏิบัติจึงปฏิบัติเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นตัดชาติชารามรณะในพบที่8เป็นต้น สกอาธาคามิมักเกิดขึ้นตัดชาติชารามรณะในภพที่สองเป็นต้นถ้าอนาคามิมักเกิดขึ้นก็ตัดชาติชารามรณะในกามาภพเป็นต้นฉะผู้ที่อบรมเจริญอริยมรรคจนถึงอรหัตตมรรคก็สิ้นชาติ น, นะหือว่าเป็นมีสรีระเป็นที่สุดนั่นเองการแสดงถึงพวกเศร้าหมองอ น, นะพวกสองกลุ่มแรกเป็นขวาพวกเศร้าหมองคือยังเกี่ยวข้องกับสังกิเลสอย่างบุคคลกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยสังกิเลสทั้งทั้งตันหาทิฏฐิและ ทุจริตส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยมียังมีสังกิเลตคือตัณหาอยู่ผันผู้ที่มีสังกิเลตคือตัณหาอยู่ก็ยังไม่พ้นชาติชารามรณะส่วนบุคคลสุดท้ายชําระสังกิเลตได้หมดเนี่ยนะเป็นปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติคือนิเพทะเป็นไปเพื่อชำํำระโลภะโทสะโมหะเป็นต้นสูตรที่7เนี่ยนะสังกิเลสะและอสัง อ, อ, เอเะเซกะภาคิยะ สังกเกตก็คือความเศร้ามองสูตรว่าด้วยความเศร้ามองและคุณธรรมของผ่รหัน์ความเศร้ามองเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้มิได้สดับคําว่ามิได้สดับนี้ก็คือไม่สดับในอริยสัจเลยไม่เคยฟังอริยสัจอะไรมาเลยไม่มีความรู้อริยสัจแม้แต่นี้เดียวเลยนะเรียกว่าผู้ไม่ได้สดับเพราะผู้ที่ได้สดับก็คือสดับอริยสัจนั่นแหละ ก็ย่อมเรียกมหาสมุทรว่ามหาสมุทรมหาสมุทรไปดูทะเลนะไปเที่ยวทะเลดูทะเลกันบอกว่านั่นไม่ใช่มหาสมุทรในวินัยของพระอริยเจ้านั่นเป็นแอ่งน้ําใหญ่เป็นห่วงน้ําใหญ่ภิกษุทั้งหลายจักสุเป็นมหาสมุทรของคนมหาสมุทรคือจักรสุนั้นมีกระแสคือรูปารมณ์นี้เป็นสังกิเลสคําพูดนี้บอกตรงๆว่าคือสังกิเลสใช่ไหมจักสุนี่คือทะเล ตานี่คือทะเลสีที่เห็นคือคลื่นนะคิดแบบพระพุทธเจ้านะเพราตาคือทะเลสีที่เห็นทั้งหมดทุกชนิดคือคลื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลใดกลั้นกระแสเอ่ออดกลั้นกระแสคือรู ป, ปารม์นั้นได้เราเรียกบุคคลนั้นว่าข้ามมหาสมุทคือจกักขุพร้อมทั้งคลื่นคือความโกรธและความขับแคะนคลื่นคือความโกรธนะส่วนวังวนคือกา ม, มคุณ กรมาคุณรูปเสียงกลิ่นรสเป็นวงวนสัตว์รายและผีเสื้อน้ำก็คือมาตุคามบุคคลนี้เป็นผู้ลอยบาปทิ้งแล้วข้ามมหาสมุทรได้ดำรงอยู่บนบกนี้เป็นพระเสขะพระเสขาก็คือผู้ที่ทำปริญญาในจักสุในรูปในจักรคูวิญญาณผัสสะและเวทนาการทำปริญญาในจักรสุและรูปเป็นอะไรเป็นกายานุปัสนาการทาปริญญาในจักรูวิญญาณก็เป็น จิตตานุปัสสนาการทำปริญญาในภาษาก็คือทำมานุปัสสนาการทำปริญญาในจกักรโคสัมผัสชาเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนามัานก็ทำอ่ะนะคำเรียกว่ากำหนดรู้จากโสกําหนดรู้รูปกําหนดรู้จากโสเวิญญาณกําหนดรู้จากโค ส, สัมผัสกําหนดรู้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจกักรโคสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยนุปัสสนาเจ็ดทั้งหลายมันผู้ที่อบรม สติปฐานอย่างนี้เนี่ยนะก็จะเพิกถอนตัณหาได้ถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับเป็นต้นถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับจักสุก็ไม่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นคนข้ามทะเลคือจักสุได้แต่ถ้าปุตุชนทั้งหลายก็ยังข้ามทะเลคือจักสุกไม่ได้ปุตุชนเนี่ยนะว่าทอดทิ้งจักสุกอันนี้แล้วก็ถือเอาจักสุกอันใหม่พระอารหันต์ทั้งหลายท่านข้ามจักสุกได้ทําลายจักสุกอันนี้แล้ว ไม่ได้ถือจักรสุอันใหม่อันนี้คือความแตกต่างว่าปุตุชนกับพผ่ารหันเป็นอย่างไรพผ่ารหันคือผู้ที่ทิ้งตาดวงนี้แล้วไม่ถือเอาตาอันใหม่อีกเลยอย่างพระพุทธเจ้าทิ้งจักสุ ข, ของพระองค์แล้วพระองค์ไม่ได้ถือเอาจักรสุใหม่อีกต่อไปปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมร้องเรียกว่ามหาสมุดมหาสมุดนั่นไม่ใช่มหาสมุรในวินัยของพระอรียเจ้านั่นเป็นแอ่งน้ําใหญ่ เป็นห่วงน้ำใหญ่พิกูุทั้งหลายโสตะคานาะเชียวหากายะและใจเป็นมหาสมุทรของคนทะเลที่แท้จริงก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทะเลพ้นมหาสมุทรคือทะเลมีกระแสะคือธรรมรมอันนี้เป็นสังกิเลสส่วนผ้าหันละ่ะพิสูจทั้งหลายบุคคลใดอดกลั้นกระแสะคือเสียงเริ่นรสโพธะและธรรมรมนั้นได้ เราเรียกบุคคล น, นี้ว่าข้ามมหาสมุทรคือหูจมกูกลิ้นกายและใจได้ก็นะข้ามพร้อมทั้งคลื่นคือความโกรธและความขับแค้นข้ามออกจากวังวนคือกามคุณห้าอ่านะข้ามสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ําคือมาตุคามมาตุ ก, ก็แปลว่าแม่นะคามก็บ้านนะแม่บ้านนะก็ข้ามได้นะผีเสื้อร้าย สัตว์ลายกับผีเสื้อน้ําก็คือโด่มากอนะเนียเขาบอกว่ากันคิดก็ว่าแต่ว่าเด็กไม่มีการร้องไห้เป็นกําลังได้ยินนะเด็กไม่ร้องไห้เป็นกําลังอะ้วผู้หญิงมีอะไรเป็นกำลังมีความโกรธเป็นกําลังองนั้นอย่าทาให้โกรธกันแล้วกันงนั้นท่นก็บอกว่าอพอองค์ก็เลยอุปมาว่าสัตว์้ายกับผีเสื้อน้ําก็เพราะว่าน่าเกลียดมากนะถ้าโกรธขึ้นมาไม่เชื่อนะโกรธแล้วให้เขาถ่ายรูปไว้ดูให้ลูกหลานบันทึก วิดีโอเอาไว้สักภาพหนึ่งนะหายกรธแล้วมานั่งชื่นชมสรุปว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอดกลัน้นไอ้คำว่าอดกลั้นนี้อดกลั้นด้วยอริยมรรคไหอดกลั้นด้วยอริยมรรคโดยเฉพาะอารหัตตมรรคเมื่ออดกลั้นอย่างนี้ก็สามารถข้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปได้บุคคลนี้เป็นผู้ลอยบาปทิ้งแล้วข้ามมหาสมุทรได้ดํารงอยู่บนบกตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทะเล พระอรหันต์ข้ามเรียกว่าประดิษฐสถานอยู่บนฝั่งคือพระนิพพานได้ก็คือเป็นคนที่ข้ามพ้นจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจนั่นเองก็เวลาลืมตาก็บอกว่าอะไรนะตาคือทะเลหูคือทะเลจมูกคือทะเลเลิ้นคือทะเลกายคือทะเลแล้วก็ใจคือทะเลก็ที่เขาเรียกว่าผีทะเลเนี่ก็ไม่ผิดอะไรนะ สูตรนางบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสคำนี้พระสุคตสาสดาตรัสคำนี้แล้วก็ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดข้ามมหาสมุทรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจได้พร้อมทั้งคลื่นวังวนสัตว์ ร, ร้ายผีเสือ้อน้ำและไัยที่น่ากลัวซึ่งข้ามดะยากเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้จบเวทจบพรหมจรรย์ถึงที่สุดแห่งโลกคือพระนิพพานอันนัที่สุดแห่งโลกก็คือพระนิพพาน ตานี่ข้ามยากหูก็ข้ามยากจมูกก็ข้ามยากลิ้นก็ข้ามยากกายก็ข้ามยากใจนี่ก็ข้ามยากคิดง่ายๆว่าถ้าเสียใจนี่แก้ยากหรือแก้ง่ายยากนะครับแล้วใจที่เสียยังแก้ยากแล้วใจที่เป็นภวังจุติ ป, ปฏิสนธิไปแก้อย่างไงถ้าไม่มีอริยมรรตตาหูจมกูกลิ้นกายใจนี่เป็นสิ่งที่ข้ามได้ยากข้ามได้ยากแต่พระอรหันต์ท่านข้ามได้ ท่านทิ้งตาท่านทิ้งตาหูจมูกลิ่นกายใจเหล่านี้แล้วท่านไม่ถือเอาอันใหม่เพราะท่านได้ถึงบกคือพระนิพพานแล้วนะท่านแทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นการถึงบกอย่างแท้จริงเป็นการข้ามฟากได้อย่างแท้จริงเมื่อรู้เห็นอริยสัจอีกสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเบ็ดหชนิดเหล่านี้มีอยู่ในโลก เพื่อความวิบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ดหชนิดคืออะไรบ้างรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้ า, า, น า, น า, นาพอใจชวนให้คลักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิเพลินเฉยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพิราธ ผูกมารทำลายได้ตามใจปรารถนามันก็แสดงว่าถ้าหากว่ารูปที่น่าปรารถนาที่มองเห็นนี่แหละจะว่าอะไรนะเจอรูปที่น่าปรารถนาเมื่อไหร่บอกติดเบ็ดเรียบร้อยแล้วงเงี้ยนะติดเบ็ดกับติดบ่วงอันเดียวกันติดบ่วงกับติดห่วงก็เหมือนกันอย่างเงี้ยะเบ็ดชนิดที่หนึ่งก็คือรูปใช่เบ็ดชนิดที่สองเขบอกว่าเสียงที่รู้ได้ด้วยหู ที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดในเสียงนั้นอยู่ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้กลืนเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศ ถ, ถูกมารร้ายทําได้ตามใจปรารถนากลิ่นที่รู้ได้ทางจมูกที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด มีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดในกลิ่นนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้กลื่นเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารร้ายทำได้ตามใจปร า, ารถนารสที่รู้ได้ทางลิ้นที่น่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรสนั้นอยู่ พิสูจนี้เราเรียกว่าเป็นผู้กลืนกินเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารร้ายทําได้ตามใจปรารถนาโพธิภะ ท, ที่รู้ได้ทางกายอันหน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยุติตรูปนั้นพิสูจนนี้เราเรียกว่าผู้กลืนกินเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศ ถูกมารร้ายทำได้ตามใจปรารถนาธรรมรมที่รู้ได้ทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมรมนั้นอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้กลืนกินเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารร้ายทาได้ตามใจปรารถนา ทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าเป็นความเศร้าหมองความเศร้าหมองด้วยตัณหาความเศร้าหมองด้วยตัณหาทวารตาก็คือตัณหาในรูปทวารหูก็สัทธาตัณหาก็คือตัณหาในเสียงทวารจมูกก็คือตัณหาในกลิ่นทวารลิ้นก็ตัณหาในรสทวารกายก็ตัณหาในผู้ถพระทวารใจก็ตัณหาในธรรมอารมณ์ทั้งหลายตัณหาในอารมณ์6เหล่านี้เรียกว่าสังกิเลสเป็นความเศร้าหมอง เพราะขณะที่จิตมีตัญหากลุ่มรุมขณะนั้นเป็นความเศร้าหมองคนที่กุศลจิตเกิดมากๆเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าขณะที่โลภะรูปปัตหาชอบในรูปก็เป็นความเศร้าหมองทางจิตใจนะถ้าเรามีความสุขกับการฟังธรรมเนี่ยนะมีความสุขกับการฟังธรรมมีความรู้ในอัดในธรรม พอไปฟังเพลงแล้วพอใจแค่นั้นอาจจะเห็นถึงความเศร้าหมองของสภาพจิตเนี่ยนะถ้าเกิดนึกชอบแว่วๆขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เห็นเห็นในความเศร้าหมองทางจิตใจได้อย่างชัดเจนอันนั้นนึกชอบกลิ่นบางอย่างก็เห็นความเศร้าหมองทางใจพันความอชอบในรูปติดในเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นติดใจในรสรับสัมผัสที่ตัวเองพอใจแล้วก็นึกคิดแต่เรื่องที่ตัวเองถูกใจด้วยอำนาจตันหาอันนี้เป็นความ เศร้ามองเศ้ามองด้วยอำนาจของตันหาอันนี้เป็นสังกิเลสทีนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นอย่างไรตรงกันข้ามนะมาดูว่าพระอรหันต์เรียก ว, ว่าเอาดำแบบสุดๆกับขาวสุดๆมาเปรียบให้เห็นน่นะพวกแร่ทั้งหลายก็ไปพิจารณาบอกว่ารูปที่รู้ได้ทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ไม่กลืนกินเบ็ดของมารได้บทขยี้ทำลายเบ็ดไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความพินาศไม่ถูกมารร้ายทำได้ตามใจปรารถนาอันนี้ก็หมายว่าไม่กลืนอ่นะไม่เพลิดเพลินถ้าความถ้าสารอกตันหาได้อย่างไม่มีส่วนเหลือ หมายถึงอริยมรรคนะผู้ที่ไม่เพลิดเพลินในะอย่างแท้จริงหมายถึงผู้ที่อบรมเจริญอริยมรรคผู้ที่มีอริยมรรคนั่นแหละนะด้วยอนุภาพของอริยมรรคทําให้ไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสพอตภะและธรรมารมณ์ทั้งหลายที่รู้ได้ทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กําหนัดเพราะว่าถ้าภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดใน ทำอารมณ์นั้นอยู่ภิสษุนี้เราเรียกว่าผู้ไม่กลืนกินเบ็ดของมารได้บทขยี้ทำลายเบ็ดไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความพินาศไม่ถูกมารร้ายทำได้ตามใจปรารถนาอันนี้ก็เป็นพระอเสขาพระอรหันต์ปุทุชนกับพระอรหันต่างกันว่าพระอรหรันต์ปุตุชนทั้งหลายเป็นผู้ที่ติดเบ็ดทุกทวารเนีน่ยนะแปลว่าลืมตามเมื่อไหร่ก็ถูกเกี่ยวไว้แล้วใช่ ห, หูได้ยินเสียงก็ถูกเกี่ยว จมูกทุรู้กลิ่นก็ถูกเกี่ยวเมื่อวันทานอาหารถูกเกี่ยวว่าไงวัยเลือกเอาแต่ประเภทเบ็ดเกี่ยวๆเลยแหละนะทวารกายแเราก็านะก็ต้องหาที่นั่งที่ตัวเองแบบถูกเบ็ดเกี่ยวทวารใจก็ทีดแต่โดยทั่วๆไปนะคือคิดอริยสัจนี่แหละเบ็ดไม่เกี่ยวถ้าคิดเรื่องอื่นนอกจากอริยสัจน้อยมากก็เบ็ดเกี่ยวอีกแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือลักษณะของปุถุชนทั้งหลายก็คือเบ็ดมันเกี่ยวแล้วก็เดินไปให้เกี่ยวด้วยนะไม่ยอม ไม่ถูกเกี่ยวก็เดือดร้อนอีกแต่ว่าผ้าอาหารทั้งหลายก็แทบว่าตัดเบ็ดทําลายเ บ, บย็ดบดขยี้เบ็ดเผาเบ็ด เ, เรียบร้อยหมดแล้วคําว่าเบ็ดในที่นี้เป็นชื่อของตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโภตภะและธรรมารมณ์ทั้งหลายคําว่าตัณหาหมายถึงว่าความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละพระองค์ตรัสว่าเป็นเบ็ดของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าก็เผาเบ็ดเหล่านี้ได้เสร็จแล้วนะเลยไม่ถูกเกี่ยว ถามว่าถ้าตามองเห็นถูกตัหนเกี่ยวไว้ก็เกี่ยวเพื่อให้มีอะไรเกี่ยวไปหาตาอันใหม่หูได้ยินเสียงก็เกี่ยวเพื่อให้มีหูอันใหม่จมกูกรูกลิ่นก็เกี่ยวเพื่อให้มีจมูกใหม่ลิ้นรู้รสก็เกี่ยวให้มีลิ้นต่อไปกายรับกระทบโภธาพะก็ถูกเกี่ยวต่อไปอนะให้มีกายต่อไปคิดเรื่องราวทั่วไปก็เกี่ยวให้มีใจต่อต่อไป ต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะเลิกเกาะเลิกเกี่ยวอย่างแท้จริงมันก็เรียกว่าต้องยืนบนฝั่งนั่นแหละจึงจะเลิกเกาะเลิกเกี่ยวบางคนเนี่ยพอฟังทำอย่างนี้โดยที่ไม่เข้าใจข้อปฏิบัติไม่เข้าใจหลักการของอริยสัจก็เลยทําเป็นไม่อยากแต่ว่าอยากทําเป็นไม่ติดแต่ว่าติดทําเป็นไม่ยินดีแต่ยินดีก็แกล้งนั่นแหละมันมันไม่จริงนะเพราะว่าไม่มี อริยมรรคเนี่ยนะก็เหมือนว่าไข้ขึ้นเต็มตัวไปหมดทําเป็นเหมือนไม่ไข่อย่างเงี้ยนะทั้งทั้งที่ไข้ป่วยสุดๆแต่ทำตัวเป็นไม่ป่วยมันก็คือคนป่วยฉันใดผู้ที่ยังมีกิเลสทั้งหลายก็ต้องหาวิธีการว่าจะเยียวยารักษาโรคคือกิเลสเหล่านี้ได้อย่างไรคำว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองความเศร้าหมองในทวารตาหูจมูกล่นกายใจเราจะรักษาไม่ให้เศร้าหมองได้อย่างไร การที่รักษามไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไปกับความเศร้ามองได้อันนี้เป็นข้อปฏิบัตินั้นความไม่เศร้ามองเหล่านี้จะต้องมีด้วยสิกขาสามนั้นที่สําคัญก็คือเห็นอย่างไรจึงจะเป็นสิกขาสามได้ยินอย่างไรจึงจะเป็นสิกขาสามรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบโภัาภานึกคิดอย่างไรให้เป็นไปกับสิกขาสามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเพราะพระอริยทั้งหลายก็คือผู้สมบูรณ์ด้วยสิกขาพระอรหันต์ก็คืออะเสกขะ คือผู้ที่ศึกษาศึกษาสามคือศีลสมาธิปัญญาในทุกทวารเสร็จแล้วพระถันคือใครคือผู้ที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญา น, นะเสร็จเรียบร้อยแล้วคือพระเสขะคือผู้ที่เจริญเสร็จแล้วผู้มีกายะภาวนาเป็นต้นนั้นสําเร็จแล้วนั่นเองนี่มาขึ้นสูตรที่8บ้างสูตรที่8กล่าวถึงสังกิเลสนิเพทะและอาเสขาภาคยสูตร นะกเรียกว่าสามอย่างนะสักความเศร้าหมองการช้ำแรกกิเลสและผ้าหันเข้ามาคถาว่าด้วยสังกิเลสก่อนว่าสัตว์โลกนี้เกิดความเร่าร้อนขึ้นถูกภาษะอันเป็นทุกข์เบียดเบียนย่อมร้องคร่ําครวญเพราะหวังบําบัดทุกข์ของตนโดยประการใดก็กลับกลายเป็นอย่างอื่นเห็นนะว่าสัตว์โลกเนี่ยโดยมากก็เป็นสัตว์ที่เร่าร้อนนะนะอย่างว่าคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะ ทุกที่เห็นเลยก็คือชาติทุกข์ตามด้วยชราทุกพยาธิทุก์แล้วก็มรณะทุก์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะพลาดพลาดจากของเป็นที่รักทุกประเพอประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักทุกเพราะญาติตายทุกเพราะเสียเสียพวกท้าศัพทุกเพราะเสียญาติทุกเพราะป่วยไข้เป็นต้นเนี่ยนะเมื่อประสบกับทุกเหล่านั้นก็รย่อมร้องข้ามครวญข้ามครวญบ่นเพอทีนี้เมื่อประสบทุกข์ก็หวังจะบำบัดทุกขของตนใช่ไหม หวังจะบำบัดทุกโดยประการใดก็กลับกลายเป็นอย่างอื่นหมายคือว่าเข้าไปเพื่อบำบัดทุกขกลับเพิ่มทุกเรียกว่ากลายเป็นอื่นนะหมายคว่าอย่างทีเเ่เห็นเน่ยนะในโลกเนี่ยพอเดือดร้อนประสบความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งหวังจะแก้ความเดือดร้อนก็ไปเดือดร้อนแบบเก่าที่ที่เขาใช้คําว่าหนีเสือแล้วไปปะอะไรไจระเฆเนี่ยนะไปพึ่งพระแต่ไปเจอพระเพลิงเข้าก็เลยเผาวอดหมดเลยคล้ายๆแบบเนี้ยนะ ก็หวังจะพิ่งที่ไหนได้ก็ถูกเผากลับมาเรียกว่ า, าหวังจะบำบัดทุกโดยประการใดก็กลับกลายเป็นอย่างอื่นๆกว่าที่คิดนึกว่ามีสิ่งนี้แล้วจะแก้ปัญหาที่ไหนได้เพิ่มปัญหามีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่ม ม, ม, มีแต่สร้างมีแต่ทับมีแต่มตมีแต่ความเร่าร้อนอยู่นั่นแหละสั์โลกมีภาวะไม่มั่นคงติดอยู่ในภพหมกอยู่ในภพพอใจรักใคร่ในภพ คบที่สัตว์โลกพอใจรักใคร่นั้นจัดเป็นภัยภัยที่สัตว์โลกกลัวนี่จัดเป็นทุกข์นะเขาบอกว่าเขากลัวอะไรนะดูเหมือนกลัวแต่ก็กล้ า, านะเครื่องหมายเขาว่าเขาเขาบอกเขากลัวทุกข์แต่เขาวิ่งไปหาแต่กองทุกข์เขากลัวการทะเลาะมากแต่ไปหาแต่เรื่องเขาบอกไม่ชอบทะเลาะเลยแต่ว่าไปกวนแย่คนอื่น เ, เพื่อจะหาเรื่องอยู่ตลอดเวลา พันเขาบอกว่าเขากลัวทุกแต่ว่ายิ่งวิ่งไปหาทุกขพรันสิ่งใดก็ตามที่เขาคิดว่าจะแก้ปัญหากลับสร้างแต่ความน่ากลัวให้พันศัตว์โลกนั้นโดยสภาวะของตัวเองก็ไม่มีความมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ติดใจในกาลมาพบเป็นต้นหมกมุ่นอยู่ในพบก็คืออย่างที่ว่าใครมั่งที่คิดตรงกันข้ามกับพบบ้างน้อยมากมีแต่คิดหวังชื่นชมกับพบเนี่ยนะถึงเจอสิ่งที่ไม่ดีว่าเอ้มันจะดีได้อย่างไร น, นัก็คือลักษณะเป็นผู้ที่ชื่นชมเพลิดเพลินในภพไม่เคยคิดในสิ่งที่ตรงข้ามกับกับภพบเลยนะคิดแต่สังขตะไม่เคยคิดหาธรรมที่ดับสังขตะเลยเพรา ะ, ะนั้นเขาก็มีแต่ความพอใจรักใคร่ไอความพอใจรักใคร่นั้นแหละเขาไม่รู้รองว่ามันน่ากลัวนะไผ่นี่นแปลว่าน่ากลัวเสร็จแล้วเขายิ่งกลัวเขายิ่งประสบยิ่งเจร น, น, นะยิ่งกลัวก็ยิ่งเจอเพราะอะไรเพราะไม่ได้แก้ปัญหา อย่างาเขากลัวสงครามเหลือเกินวิ่งไปหาแต่ที่ที่เคารพกันเนะ น, นี่ยนะก็หนีไปหาแต่สภาพเหล่านั้นแล้วก็จะไปไหนเนี่ยนะเขาบอกกลัวเหลือเกินตกนรกเป็นต้นแต่ว่าทําแต่ชั่วอย่างเงี้นะมันจะพ้นได้ยังไงนะาะบอกงั้นการสักการกล่าวพระธรรมเหล่านี้เรียกว่าสังกิเลสะพูดถึงความเศร้าหมองเนี่ยนะเรียกว่ามีแต่เศร้ามีแต่มองมีแต่ทุกข์มีแต่เรียกว่ามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอ่ะนะ ส่วนบอกบุคคลย่อมบำเพ็ญมรรคพรหมจรรย์นี้เพื่อละภพอันนี้เป็นนิเพทปาคยะอย่างเช่นว่าโอ้รู้แล้วล่ะวัยการเกิดเป็นต้นเหล่านี้มันเป็นทุกข์ก็เลยมาประพฤติมรรคพรหมจรรย์มาอบรมอธิศีนอธิจิต อ, อธิปัญญาเพื่อจะพ้นไปจากภพเช่นเพื่อจะพ้นจากภพในนรกเป็นต้นไอการศึกษาการปฏิบัติการบำเพ็ญการดําเนินมรรคพรหมจรรย์เหล่านี้นี่แหละ เพื่อละพบนะเรียกว่านิเพทะในส่วนแห่งการชัมแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวซึ่งการพ้นจากพบคือวัตตะสงสารด้วยรูปประพบและอารมประพบเรากล่าวสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดว่าหาได้พ้นจากพบไม่หรือว่าสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กล่าวถึงการออกจากภพคือวัตตะสงสารด้วยอุเฉธาทธิฏฐิเรากล่าวสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดว่าหาได้ออกจากภพไม่เพราะอาศัยอุปธิมีขันเป็นต้นทุกนี้จึงมีขึ้นดังนี้อันนี้เป็นสังกิเลสบางคนก็บอกโอ้ยเบื่อหน่ายในวัตตะเราจะต้องออกจากวัตตะให้ได้ด้วยการไปเกิดในรูปภพอรูปภพใช่ไหมจะต้องออกยังไงก็ต้องออกแน่นอนแต่ว่าไปอยู่ในรูปภพ อยู่ในพรมพดีกว่าเขามันอีกคนหนึ่งก็บอกโอ๊ยเขาจะออกแล้วตายแล้วมันก็ออกเองนะ่ะแหละนะเดี๋ยวถึงวันตายก็ออกเองบางคนบอกหนอ่นไปออกที่เทวดาเขามั้นไปพ้นที่เทวดามันคนโน้นไปพ้นที่อรู ป, ปรพรหมโน้นะแต่สรุปว่าหมายว่าถ้าศูนย์ไปเลยทุกข์ก็หมดขึ้นแค่ว่ารอวันศูนย์อ่าไม่ได้ศูนย์ด้วยอริยมรคนะรอวันศูนย์เดี๋ยวเราไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็สุดของมันเองแหละใช่ไหม ไม่ต้องอะไรมากหรอกตายไปก็จบปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมดเมื่อวันตายว่างอนกันพวกนี้แหละพวกอุเฉท ท, ทิถิลงเรื่องอย่าไปคิดอย่างนี้เขานะว่าตายแล้วก็จบแก้ปัญหาได้สารพัดปัญหาเนี่ยนะไม่ใช่เลยนั่นน่ะเชื่อไหมว่านั่นแหละคือเริ่มปัญหาใหม่เข้าไปแล้วเพราะจุติแล้วก็อุบัติขึ้นมันก็อยู่ใกล้ใก ล, ใกล้กันเนี่ยนั้นพวกอุเฉท ท, ทิฐิก็ถือว่าตายแล้วก็แก้ปัญหาไปทั้งทั้งหมดนี้เป็นความเศร้หอมองเพราะมันมันพ้นไม่ได้หรอกถ้ายังไม่ตรัสรู้ธรรมที่ออกจาก จากวัตถทุก์จริงๆอะนะจะตั้งรัฐที่ทฤษฎีใดๆขึ้นมาก็ช่างเถอะไม่มีคําว่าพ้นเขาเรียกว่าอะไรนะจะหนีอีกที่หนึ่งไปเกาะ อ, อีกที่หนึ่งนีอีกที่หนึ่งไปเกาะ อ, อีกที่หนึ่งเขาบอกก็จะแก้ปัญหาจากตรงนี้ก็ไปหาปัญหาอันใหม่ๆคล้ายๆก็บอกโอ้ยงานทําไมมันมีแต่ปัญหามีปัญหาลาออกดีกว่าไปหางานใหม่ยังกับว่าที่อื่นมัน ม, มีปัญหากไงนนะวิ่งจากปัญหาอันหนึ่งไปเจอปัญหาอีกอันหนึ่งเจออีกอันหนึ่งมันก็ไปยิ่งไปก็ยิ่งเจออะนะ มันก็หิวแล้วเกินเบื่อแล้วเกินหนีไปให้พ้นเลยจะได้เลิกหิวไปอยู่ตรงไหนที่มันไม่หิวบ้างเอ่